เทศ น, นากันที่สเรื่องชีวิตโอปปปาติกะของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธารย์โตสแสดงเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช 2,507